สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Star t u a y Podcast ตอนที่3นะครับรายการที่ผมจะเอาข้อมูลต่างๆนะครับที่คนอื่นเนี่ยเป็นคนแชร์มาเล่าให้ฟังในรูปแบบของข่าวผ่าน podcast ของ Star u a y นะครับก่อนอื่นเลยต้องขออภัยที่ podcast เนี่ยห่างหายไปนานมากๆเพราะว่าตอนนี้นะครับมาดามแพมเนี่ยเมียของผมนะครับก็เปิดช่องใหม่ในยู u ูบชื่อช่องว่ามาดามแพมครับเป็นช่องเกี่ยวกับร้านสไตล์แล้วก็การแต่งหน้าแน่นอนนะครับด้วยความที่ว่ามาดามแพมเป็นคนที่ตัดต่อและใช้เทคโนโลยีไม่เป็นเลย ดังนั้นหน้าที่ในการตัดต่ออัพโหลดใส่เสียงประกอบนะครับรวมถึงการตั้งค่าต่ตางๆบน YouTube ก็เลยกลายเป็นหน้าที่ของวิทย์ไปเลยนะครับลองดูสิครับว่าช่องมาดามแผมอัพเกืบทุกวันเลยถามว่าอัพเกืบทุกวันได้ยังไงก็ฝีมือผมทั้งนั้น ะะโอเคในวันนี้นะครับเราก็มี3มเรื่องราวเหมือนเดิมนะครับเกี่ยวกับการเป็นนายตัวเองมาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังนะครับได้ฟังกันซึ่งในวันนี้นะฮะก็มีหลายเรื่องที่ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังมากๆและใครนะครับที่ได้ฟังได้เรียนรู้นะฮะก็จะมีประโยชน์ในการสร้างเส้นทางในตัวเองในอนาคตเป็นอย่างมากเลยนะครับอย่าปล่อยให้ความผิด ของคนอื่นมาซ้ํารอยกับชีวิตคุณนะครับเอาล่ะเรามาเริ่มต้นที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่านะครับเรื่องแรกเนี่ยมีคนนะครับตั้งกระทูในพันทิปชื่อว่าคีเรียตเรื่องวิธีเก็บเงินกันไปทําไมครับทำไมไม่โฟกัสหาวิธีาหารายได้เพิ่มนะฮะโดยแก๊งเป็ดน้อยนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นกระทูแนะนําอยู่ในพันทิปด้วยนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยกระทู้คขาเขียนอย่างนี้นะครับ สืบเนื่องมาจากว่ากระทู้วิธีเก็บเงินรูปแบบต่างๆซึ่งมีอยู่มากมายในตอนนี้ถ้าเราพิจารณาสมการง่ายๆรายได้ลบปลายจ่ายเท่ากับเหลือเก็บ ทำไมผมเห็นคนเนี่ยชอบไปโฟกัสเรื่องการลดรายจ่ายกันจังเลยครับที่เช่นได้แบงค์นู้นแบงค์นี้ต้องเก็บแบงค์ใหม่ต้องเก็บได้เหรียญห้าเหรียญสิต้องเก็บเงินเดือนออกก็ต้องแยกใส่บัญชีออมทรัพย์อีกบัญชีหนึ่งต้องแพ็กใส่ถุงไว้สําหรับวันนั้นวันนี้แยกเงินใส่บัตรนั้นไว้วิธีการเหล่านี้มันดูแบบไม่ค่อยออไม่ค่อยโปรเฟชชั่นอลเลยนะฮะหงเงินมันก็วนอยู่ในอ่างนั่นแหละ ก็แค่ตัดจากที่กินที่ใช้มากมายมากลายเป็นเงินเก็บแค่นั้นมันเหมือนกับว่าเรากําลังเฉือนเนื้อตัวเองตอนนี้ออกมาออมสำหรับตอนแก่สมมุติว่าวันนี้ผมเหลือเงิน70บาทเป็นแบงค์ห้าสิบาทกับ20บาทแบงค์ห้าสิบาทก็ต้องเก็บสิครับหรือวันนี้ผมใช้เงินไป280บาทจากเป้าหมายไม่เกิน300บาทต่อวันและเธอรื่องผมอยากกินกาแฟอเมซ o n ขึ้นมาแต่การตั้งเงื่อนไขพวกนี้ทําให้ผมไม่สามารถกินได้ต้องเปลี่ยนมากินกาแฟทรีอินวัแทนเพื่อให้เงื่อนไขบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ออมอย่างนี้เนี่ยหรือว่าสมมุติใช้วิธีหักดิบจับยัดเข้าบัญชีนะครับฝากประจําหลังเงินเดือนออกทุกเดือนโอ้ยอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดเดือนนี้ต้องใช้เยอะหน่อยเราก็ต้องไม่กินไม่ใช้อย่างนั้นหรอครับอ ม, มันดูเป็นการลดคุณภาพชีวิตยังไงก็ไม่รู้นะลองคิดดูนะครับ 2. อ, อ่าโทษทีครับลืมพูดคาว่า2 2 ลองคิดดูนะครับว่าถ้าในกระปุกออมสินเรามีเงินสัก1นึ่งถึงว่าสองหมบาทซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามีเท่าไหร่แล้วเราก็ตั้งกฎว่าเราจะไม่หยิบมาใช้แสดงว่าคนที่ออมเนี่ยก็ต้องเพิ่มปริมาณเงินสดสำรองในบัญชีต่อเดือนให้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในเดือนนั้นๆในทางกลับกันถ้าแทนที่เราจะใส่กระปุกออมสินแต่เราฝากเงินนั้นเข้าไปในบัญชีหมุนเวียนปกติมันน่าจะทําให้เราเห็นเงินสดเป็นตัวเลขเนี่ยในบัญชีมากขึ้นและกล้าแบ่งเงินส่วนเกินไปออมในรูปแแบบบบทที่ได้รัผลตอน ซึ่งมันจะเกิดประโยชน์กับตัวผู้ออมเองติต่างว่าเอาไปเล่นแชรและกันแบบนี้ไม่ดีกว่าหรอครับบอลอีกประเด็นหนึ่งที่ชาวสีลมชอบออกมาตอบโต้ด้วยประโยคสุดคัสสิกว่าหาได้เท่าไหร่ไม่สําคัญสําคัญที่ว่าเหลือเท่าไหร่จริงๆจากประโยค น, นี้ถ้ามีมนุษย์เงินเดือนนะครับหาได้เดือนละแสนแต่เหลือออมเงินได้เดือนละ2อ0 0 0ื่นกับมนุษย์เงินเดือนที่สามารถหาได้เดือนละห 0,000 ื่นแต่เหลือออมเดือนละสามหมื่นด้วยเงินไขแบบนี้คนหลังเนี่ยน่าชื่นชมกว่าจริงๆหรอครับ ผมว่าถ้าเรามองลึกไปถึงรายละเอียดจริงๆผมว่าคุณภาพชีวิตคนแรกน่าจะดีกว่ามากมายเลยนะครับซีเรียสเรื่องเงินออมกันจังเลยทำไมไม่ไปโฟกัสหาเงินเพิ่มแหมเปิดกระทู้อย่างนี้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายครับแต่ว่าผมเนี่ยชอบท็อปคอมเมนต์ของผู้ชายคนหนึ่งมากๆเลยนะฮะเขาชื่อว่าพึ่งน้อยพเนจรพึ่งน้อยพเนจรเนี่ยก็ออกมาโพสต์นะครับเตือนสติเจ้าของกระทู้ว่าเขากาลังคิดผิดและกาลังหลงประเด็น การโพสต์ของเขานะครับเป็นดังนี้ครับเจ้าของกระทู้คิดผิดหลายเรื่องเลยนะครับถ้าเริ่มที่คิดผิดมันจะผิดต่อไปเรื่อยๆและที่สําคัญเจ้าของกระทู้เชื่อมั่นว่าตัวเองคิดถูกอันนี้อันตรายครับดูรูปต่อไปนี้นะครับแล้วในรูปที่เขาแนบมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นแก้วน้ำสี่ใบอันแรกนะครับเป็นแก้วน้ําใบเล็กนะครับมีน้ําลินลงไปในแก้วจนน้ําเต็มแก้วแล้วก็มีภาษาไทยเขียนคําว่ารายได้เข้านะฮะอันต่อมา รายได้เข้าแต่รายจ่ายเยอะก็เป็นรูปแก้วน้ำเนี่ยแหละครับแล้วก็มีรูลวดเต็มไปหมดเลยน้ําก็ไหลออกจากแก้วนะครับอันที่3ก็คือรายได้หยุดเข้าแต่น้ํำยังเหลือเต็มแก้วก็เป็นรูปน้ํานะครับมีน้ําเต็มแก้วแล้วก็วางไว้เฉยๆอันที่4นะครับรายได้เข้าน้ํำยังเหลือส่วนที่ล้นนําไปลงทุนให้เติบโตนะครับก็เป็นรูปแก้วใบนึงนะครับที่มีน้ําไหลเข้าแล้วก็ล้นออกมาเลยทีเดียวนะครับ 1. เจ้าของกระทู้เชื่อว่ารายได้ลบรายจ่ายเท่ากับเหลือเก็บ อันนี้ผิดเลยครับที่ถูกที่สุดก็คือรายได้ลบเงินออมเท่ากับรายจ่ายต่างหาโอ้ขมมากสเจ้าของกระทู้เชื่อว่าหาเงินเพิ่มได้ผลผลิตมากกว่าเงินออมอันนี้ผิดอย่างแรงครับเพราะว่ามันจะต้องแยกกันระหว่างเงินออมตามจําเป็นที่ไม่ต้องเอาออกมาใช้กับเงินออมที่จะต้องนํามาเป็นต้นทุนในการลงทุนให้เงินเติเตบโตครับฉะนั้นพอเจ้าของกระทู้ฟันว่าเงินออมเนี่ยคือเป็นเงินที่ไม่มีการเติบโตไม่มีประโยชน์ก็เลยไปต่อไม่ได้แล้วไงมันก็เลยจบเหตุ สเจ้าของกระทู้เชื่อว่าการออมคือการอดการเป็นการทําให้คุณภาพชีวิตไม่ดีมีความสุขตอนนี้ดีกว่าจะไปคิดถึงตอนกระเียนผมเนี่ยผ่านการกินอาหารฝรั่งเศสมื้อละเป็นหมื่นยิ่งกว่าคุณกินสตาร์บัคเสียอีกผมกินฟัวกรากินออรองดักกินเปาฮื้อเป็ดปักกิน่นกินน้าแร่เปร์ปิเย่เหยาะน้ําเลมอนทุกมื้อก็เคยมันแล้วแล้วก็มีอการวงเล็บด้วยนะครับว่าไม่เคยกินอย่างเดียกก็คือเฮดทัฟเฟิล มีความหมั่นไส้ออกมานิดๆนะแต่ก็แหมโอเคครับแสดงว่าคนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่เขามีกระตังจริงกันแหละขอบอกว่าการเชื่อว่าต้องกินแล้วก็ใช้ของแพงแล้วก็หรูหราเนี่ยเท่ากับคุณภาพชีวิตที่ดีนี่คือกับดักเด็กเจน y เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าของกระทู้ยังมีมายเซตแบบนี้มันก็จะคุยกันยากอธิบายจนคอแตกยังไงเจ้าของกระทู้ก็ไม่เข้าใจ หมายเหตุหลักการเงินเขาให้ฟุ่มเฟือยได้ครับแต่ว่าไม่เกิน 10% ของรายได้แต่เด็กรุ่นเจ้าของกระทูคิดว่าเงินฉันหามาได้ฉันก็ต้องเอารายได้ทั้งหมดไปทำให้คุณภาพฉันดีขึ้นสิอันนี้เป็นมายเซ็ตคนล้มละลายเลยครับ 4. เจ้าของกระทู้เน้นการหาเพิ่มก็ขอบอกว่าเจ้าของกระทู้ยังเด็กครับยังไม่เคยผ่านหายนะต้มยำกุ้งและอาจจะยังไม่สำเนียก่อวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ว่ากำลังที่จะหามันมีแต่มันหาไม่ได้จริงๆคนมันล้มกันทั้งทวีไม่ใช่แค่ทั้งประเทศนะฉะนั้นความสามารถในการออมต้องมีก่อนความสามารถในการหาเงินเพิ่มครับ ไม่งั้นเจ้าของกระทู้เนี่ยจะเจอวิกฤตเกษียณแบบที่หลายคนเจอในตอนนี้คือเกษียณไม่ได้เพราะว่าต้องทํางานหาเงินจนอายุ 78-80 เพราะว่าไม่มีเงินเลี้ยงชีพมากพอและหลักการเงินจะสอนเลยว่าคนนิสัยออมเก่งบวกหาเงินเก่งเท่ากับพยักติดปีกถ้าหาเงินไม่เก่งแต่ออมเก่งเท่ากับไม่มีวันยากจนถ้าหาเงินเก่งแต่ออมไม่เก่งเท่ากับหายนะถามว่าเพราะอะไรหาเงินเก่งมากทําไมหายนะให้กลับไปดูรูปด้านบนอีกครั้งหนึ่งครับคือเติมน้ําเท่าไหร่ก็ไม่เต็ม น้ำประปาเนี่ยมันยังมีวันหยุดไหลเลยบ้านคุณก็ต้องมีแทงค์น้ำสำรองไว้ไฟฟ้าก็ยังมีวันดับคุณก็ต้องมีแบตมีไฟฉายมีเทียนเตรียมไว้ด้วยโอ้โหคอมเมนต์นี้แบบเจ็บจิต จีดโดนเข้าใจจังๆเลยครับใช่ครับผมก็เชื่อนะคร ว, ว่าวิกฤต ก, ก, การเงินเนี่ยมันต้องมีมาแน่ๆในอนาคตอันไกลนี้เพราะว่าถ้าคุณไปอ่านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเกี่ยวกับเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าทุกอย่างมันเป็นวัฏจักรครับมันมีขึ้นมีลงมันเป็นอย่างนี้ตลอดแหละครับและจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะฮะใครที่ในช่วงวิกฤตเนี่ยก่อห น, นี้ไว้เยอะและไม่มีเงินออมคุณก็เตรียมรับเรื่องไรร้ายได้เลยดังนั้นแทนที่เรานะครับจะโฟกัสเรื่องของการหาเงินเพิ่มเพื่อให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้น เราควรที่จะรู้จักการควบคุมค่าใช้จ่ายและเพิ่มขนาดของเงินออมด้วยนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกนะครับที่จบไปนะครับโอเคเรื่องต่อไปนะฮะเป็นเรื่องมาจากแฟนเพจที่ผมเข้าไปอ่านเป็นประจำเลยก็คือเรื่องของคุณอาวินเรียววาลินนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังได้เลยครับ ราเมธกิสนันชาวสิงคโปร์เชื้อสายอินเดียอายุ47ทำงานเป็นพนักงานขายประกันในบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งมานาน15ปีเต็มในปี2011เขาลาออกจากบริษัทแล้วไปสมัครงานกับบริษัทประกันภัยอีกแห่งหนึ่งเขาเนี่ยก็เลยขอจดหมายรับรองจากบริษัทเก่าเจ้านายก่าของเขาเขียนจดหมายแนะนำว่าเป็นพนักงานห่วยแตกทางานไม่มีประสิทธิภาพลูกค้าหนีหมด จดหมายชมเชยฉบับนี้ทําให้เขาไม่ได้งานใหม่อย่างที่คาดหมายอีกทั้งทําให้เขาเนี่ยหมดโอกาสหางานใหม่ที่ไหนเพราะว่าการทํางานที่ใดก็ตามก็มันจะต้องการจดหมายแนะ น, นําจากบริษัทเก่าทันใดนั้นด้วยจดหมายฉบับเดียวกันนี้ชีวิตเขาก็คว้างไม่รู้จะทําอะไรต่อหมดอนาคตในวิชาชีพสายที่เขารักหมดศรัทธานในชีวิตเพราะเจ้านายแทงข้างหลังเพื่อนๆก็ตีจากเขาขายบ้านขายรถยนต์สองคันเพื่อใช้เป็นทุนตั้งร้านอาหารมังสวิรัตในย่านดึคเต้นอินเดีย จากพนักงานขายประกันรายได้ปีละ2อล้านเหรียญกลายเป็นคนขายอาหารรายได้ปีละหมื่นกว่าเหรียญจากคนที่สวมชุดดีไซนเนอร์เป็นพ่อครัวสวมสภาพเปื้อนคราบน้ํามันแต่ลูกสาวอายุ17บอกว่าพ่อพ่อเป็นนักสู้การรบที่หนักหนาที่สุดเป็นของนักรบที่เข้มแข็งที่สุดเมื่อครอบครัวยืนเคียงข้างเขาก็ตัดสินใจใช้กระบวนการ ย, ยุติธรรมฟ้องบริษัทเดิมเรียกค่าเสียหาย63ล้านเหรียญแม่เจ้า63ล้านเหรียญ บริษัทเก่าของเขาด้วยความสํานึกผิดมากอันนี้ผมเติมเองนะก็เลยเสนอมอบค่าเสียหายให้เขาเป็นเงิน1เหรียญทุกคนบอกว่าเขากําลังสู้กับคดีที่ไม่มีทางชนะสัปดาต่อมาศาลสูงสิงคโปร์ตัดสินใจให้บริษัทเก่าของเขาผิดและต้องจ่ายเงินไปค่าเสียหายให้เขามากถึง4ล้านเหนนรียญสิงคโปร์หรือประมาณ100ล้านบาทไทย สารพิจารณาหลักฐานทั้งสองฝ่ายและเห็นว่าจดหมายแนะนําของเจ้านายเก่าของเขาค้านกับหลักฐานที่ว่าราเมธเคยเป็นพนักงานดีเด่นทํางานดีมาตลอดและครั้งหนึ่งเมื่อลาออกจากบริษัทบริษัทก็ดึงตัวเขาไว้นี่เป็นบทเรียนสําคัญสําหรับเจ้านายทั้งหลายระวังอย่าใช้อารมณ์ทํำลายลูกน้องด้วยเรื่องไม่จริงเจ้านายบางคนเมื่อมีลูกน้องเก่งๆลาออกก็กีดกันทุกวิธีทางเพื่อให้เขาได้ดีบางทีเราอาจจะรู้จักเจ้านายของเราจริงๆก็ตอนที่เราลาออกก็ได้ บทเรียนที่2ก็คือต่อให้พนักงานคนหนึ่งทํางานในองค์กรหนึ่งไม่ได้ดีก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะทํางานแย่ในองค์กรใหม่เขา อ, อาจเพียงแค่ไม่สามารถเข้ากับองค์กรเดิมได้เท่านั้นเองและบทเรียนสุดท้ายก็คือให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวครับและเรื่องที่สามนี่นะครับเป็นเรื่องของหนุ่มไมค์คุมะนะฮะผมไม่มั่นใจว่าอ่านถูกไหมนะครับเป็นกระทู้ที่โพส อ, อยู่ในพันทิศนะครับแล้วเป็นกระทู้ที่แบบ ผมอ่านแล้วเนี่ยผมต้องชื่นชมเจ้าของกระทูเลยนะคือเป็นคนที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจมากและก็ปฏิบัติตัวเป็นลูกที่ดีมาก ท, ท, ท, ทั้งที่พ่อแม่เนี่ยก็ทำกับเขาไว้เยอะเหมือนกันนะครับโอเคชื่อกระทูนะฮะก็คือเคยถูกพ่อแม่หักหลังเรื่องเงินครั้งแล้วครั้งเล่าไหมเราประสบการณ์พ่อแม่บริหารจัดการเรื่องเงินแบบหมุนเงินไปมาสุดท้ายกลายเป็นเราที่ต้องตามจัดการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อศูนย์บุคคลกู้บ้านกู้รถนี่นอกระบบ หมดไปหลายแสนเลยปี2551ราสบเดราสอบติดมหลาลัยดัง1ใน 3K 3K คืออะไรครับไม่ใช่แบตเตอรี่ใช่ไหมตอนนั้นเด็กมากแล้วก็ดีใจมากที่ทำได้แต่พ่อแม่เนี่ยจัดการให้เรากู้กอรอสอเอ้ยขอโทษครับกอรออคล้ายๆกับกอรอสอแต่ก็ไม่ได้เงินช่วยเหลือทุกเดือน ตอนนั้นเนี่ยในใจคิดว่าทำไมต้องกูวไม่อยากเป็นหนี้เลยก็เลยบอกไปว่าเราเนี่ยยอมเรียนลามก็ได้นะแต่ว่าพ่อไม่ยอมแล้วก็พอเข้าใจว่าพวกเขาเนี่ยต้องค้าขายต้องหมุนเงินหนูก็เลยยอมเป็นหนี้การศึกษาก้อนแรกในชีวิตสถานะปิดบัญชีไปเมื่อพุทธศักราช2560ใช้เวลา6ปีโดยการจ่ายเดือนละ2อ0 0 0บาททุกเดือนจนสุดท้ายก็ปกก้อนสุดท้ายประมาณ7 0,000 กว่าบาทแล้วก็จบไปปี2554เรียนจบ พ่อจะให้รางวัลโดยการซื้อรถให้โดยโครงการรถคันแรกเด็กน้อยเนี่ยดีใจมากพ่อให้จับเซ็นอะไรก็เซ็นหมดถามว่าผ่อนกี่ปีพ่อก็บอกว่า5ปีมาลุทีหลังว่า7ปีพ่อบอกว่าพ่อดาวให้นะแล้วก็จะผ่อนให้ระยะแรกๆแล้วต่อไปเนี่ยนูก็ต้องผ่อนเองนะโดยโอนมาที่พ่อเดี๋ยวพ่อไปจ่ายให้โอเคดิว okay, ไม่มีอะไรติดใจสถานะพลาดมาก เวลามีน้องที่รู้จักเพิ่งจะจบจะบอกเลยว่าอย่าเด็ดขาดอย่าเพิ่งซื้อรถเพราะว่ารถเนี่ยมันเท่ากับรถพ่อผ่อนให้เราแค่แรกๆ ก, ก็จริงหลังจากนั้นเราต้องผ่อนเองโดยโอนไปให้พ่อแล้วให้พ่อเนี่ยไปจ่ายพ่อเอาเงินก้อนนี้ไปหมุนบ้างไปจ่ายบ้างจ่ายล่าช้าตลอดตั้งแต่ปี2555จนล่าสุดเนี่ยเรามารู้ความจริงปี2560 เจ้าหน้าที่เนี่ยโทรมาบอกว่ามีค้างชําระและมีค่าทวงถามโพมาจากไหนไม่รู้ตั้ง6000กว่าบาทคือความจริงแล้วเนี่ยต้องไปจ่ายไม่เกินวันที่9ของเดือนแต่พ่อของเราเนี่ยไปจ่ายวันสิ้นเดือนถัดไปยันปัจจุบันโอ้คิดดูสิและพ่อก็โทรมากโกรธเจ้าแล้วพ่อก็โกรธเจ้าหน้าที่นะครับว่า เ, เขาโทรมาบอกเราทําไมพ่อก็โทรเข้าคอเซ็นเตอร์ของธนาคารไปด่าสงสารเจ้าหน้าที่มากเขาแค่ทําตามหน้าที่พอรู้ความจริงเนี่ยเลยตัดสินใจเอาเงินเก็บที่มีไปจ่ายให้หมดเลยได้ลดดอกทีั้งห้า ปีสองพันางานปีแรกครับพ่อผ่านโปไป6เดือนเนี่ยพ่อมาบอกว่าแม่มีดีมนี่นอกระบบ เ, ย, เยอะมากเกิดจากเงินหมุนเนี่ยไปค้าขายแล้วนี้นอกระบบเนี่ยก็มีดอกเบี้ยแพงมากพ่อเลยอยากให้ทําบัตรเครดิตให้และจะได้เอาเงินจากบัตรเครดิตไปจ่ายเงินนอกระบบแทนพ่อเนี่ยพาไปทําให้ทั้งหมดเลยทั้งหมด4ใบแม่เอาไปใช้3ใบพ่อเอาไปใช้1ใบตอนนั้นเนี่ยยอมรับเลยว่าเด็กมากเพิ่งเรียนจบ ไม่มีความรู้อะไรเรื่องการเงินเลยรู้แต่ว่าอยากช่วยพ่อแม่และคิดว่าพ่อแม่จะจัดการได้ไว้ใจไม่น่าจะมีปัญหาจะเรียกว่างโง่ก็ได้มันคือจุดเริ่มต้นของความไายาณะของชีวิตเราที่แท้จริงสถานะมีหนี้สินเชื่องเงินสดสบัตรยอดรวมทั้งหมดประมาณ 2,000 0 0กวา่าบาท บัตรเประมาณห 0,000 ื่นบัตร B 3 0 0 0 0มบัตรซี0 0 0หมือันนี้แม่เราใช้ลุ้นล้วนเลยรวมแล้วประมาณ 10,000 แบาทส่วนบัตรดีมียอดห0 0 0งแกว่าบาทอันนี้พ่อใช้ลุ้นล้วนเลยตอนเปิดใจคุยกันพ่อก็ไม่ยอมรับด้วยนะว่าพ่อใช้แหมและพ่อเราเนี่ยใช้วิธีแบบจ่ายขั้นต่ำด้วยนะทั้งนี้ทั้งนั้นพ่อแม่เราเนี่ยทำแบบนี้โดยเก็บจดหมายทั้งหมดและไม่ยอมบอกเราเลยจนเริ่มมีเจ้าหน้าที่โทรมาพ่อเริ่มมีบางบัตรคล้าาชําระ เราเลยตัดสินใจโทรไปถามพ่อแม่ซึ่งก็ยังไม่ยอมบอกยอดทั้งหมดอีกเราต้องเช็คกับเจ้าหน้าที่เองพอรู้ตัวเลขเนี่ยคือช็อกมากยอมรับว่าโกรธมากไปคุยกับพ่อกับแม่แม่ยอมรับผิดขอโทษแต่พ่อเนี่ยไม่ยอมรับเลยแล้วก็บรรดาใส่เราว่ากูเป็นพ่อมึงนะมึงไม่มีสิทธิ์มาสั่งสอนกูตอนนั้นเนี่ยเสียใจมาก พ่อแม่ก็ได้แต่บอกว่าเป็นนี่ก็เพราะว่าเอามาใช้จ่ายให้มึงนี่แหละค่าใช้จ่ายในครอบครัวนี่แหละก็โอเคสรุปเราผิดเองบอกพ่อแมอ่บอกพ่อแม่ไปว่าเดี๋ยวเราจะจัดการเองนะพ่อไม่ยอมบอกว่าถ้าอยากจะช่วยก็โอนมาเป็นก้อนแล้วเดี๋ยวพ่อจะไปจัดการจ่ายทีละบตทเองซึ่งเราก็เชื่อแล้วเราก็ยอมปี2516ถึง2517สถานะเงินเดือนเนี่ยขยับมาที่ 18,000 บาทโอแม่เจ้าที่พามาเงินเดือนไม่ถึง 20,000 แล้วเนี่ย รู้สึกติดขัดมากรู้สึกว่ามันไม่พอจ่ายทั้งค่ารถค่าบัตรเครดิต ท, ทั้งหลายแหล่ที่พ่อแม่ใช้เลยต้องเปลี่ยนงานใหม่เงินเดือนขยับมาที่ 22,000 บาทซึ่งก็พอประทังชีพได้ใช้วันละร้อเองกับช่วงนั้นแล้วก็กินมามากบ่อยมากรู้สึกชีวิตไม่มีความสุขเลยพยายามหางานเสริมจากเพื่อนหารายได้เสริมพี่หัวหน้าก็สงสารช่วยคิดหาทางออกให้เต็มที่พี่หัวหน้าอีกฝ่ายก็ชวนไปเป็นผู้ช่วยวิทยากรขอบพระคุณมากจริจรงๆเลยทุกวันนี้ก็ยังซึ้งใจในบุญคุณของพี่ๆหัวหน้าที่อยู่่่่ทททีีเเเเเเขขขาาาาาา้้้ใใจรรชวยหหลือํ มีรายได้มากยิ่งขึ้นตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มยิ้มออกเหมือนจะดีขึ้นนะคะแต่ว่า เ, เริ่มรู้ความจริงอีกทีหนึ่งพ่อและแม่ยังมีกู้นอกระบบที่ยังไม่จบอีกไม่ยอมบอกจํานวนด้วยไม่ยอมบอกว่าไปกู้ใครมารู้แต่ว่าพ่อแม่ค้าขายไม่ค่อยดีใจเริ่มไม่ไหวแล้วจนบางเดือนเนี่ยเราเห็นพ่อแม่เราไม่ออกไปค้าขายเลยก็มีอยู่บ้านตลอดภาระ ท, ทั้งหมดก็เลยตกอยู่ที่เราหมดเลยตอนนั้น ตอนนั้นเนี่ยต้องจ่ายค่ารถประมาณ 1,000 0บาทบวกค่าบัตรจ่ายขั้นต่ำสีใบอีก 1,000 0บาทเท่ากับ 2,000 0บาทคือ ม, ม, มันเกินกําลังที่จะมีอยู่แล้วอะ่ะเหลือแายละเดือนสองพันมันไม่พอใช้จริงๆรายได้เสริมที่ช่วยได้ตอนนั้นก็คือเพื่อนให้ช่วยงานส่วนงานที่ไปช่วยพี่หัวหน้าเนี่ยก็คือมันไม่ได้มีทุกเดือนรู้สึกว่าทํางานเนี่ยตัวเป็นเกลียวมากเริ่มงานประจํา6โมเก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นกลับถึงบ้านสองทุ่มต้องทํางานเสริมต่ อ, อยันตี1นตี2องร่างกายเนี่ยลามมากป่วยบ่อยมากๆปี2558ัน้ยก็คือเมื่อ2ปีที่แล้วเองนะฮะ เพื่อนออกปากชวนไปทำงานด้วยกันถึงได้ลืมตาอ้าปากได้ทำงานได้สักพักเริ่มมีเงินเก็บเอาไปปิดบัตร A ถึง C หมดเหลือบัตรดีเพราะว่ามันเยอะสุด กลับมาเริ่มเก็บเงินต่อบัตรดีกับค่ารถเนี่ยมีปัญหาเพราะพ่อเราเนี่ยเขาไม่ยอมให้เราไปจ่ายเองเขาไม่ยอมเลยเขาจะต้องเป็นคนไปจ่ายเองเราเดาว่าเขาเอาไปหมุนนะนะทำให้บัตรดีเนี่ยมีเจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่าค้าง3เดือนแล้วต้องจ่ายนะไม่งั้นจะมีหมายสารมาเราก็ต่อรองว่ามีส่วนรถไหมถ้าจะปิดหมดเลยคุยไปคุยมาเขาโอเคลดดอกเบียให้ก็เลยเอาเงินเก็บที่มีทั้งหมดเนี่ยไปจ่ายเพื่อปิดบัตรสถานะ A, ถึงดีปิดหมดแล้วแทบกระอักเลือดตายตอนนี้หนี้จากบัตรเครดิตก็หมดไปแล้วนะครับเรียบร้อยปี2 5 5 9ยเังไม่จบเนียเหมือนชีวิตจะดีขึ้นทำงานกับเพื่อนได้ประสบการณ์ที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นได้รู้จักอะไรหลายๆอย่างที่มันสร้างรายได้มากมายแต่บ้านบ้านกำลังจะโดนยึดพ่อเราพ่อเราอีกแล้วในอดีตพ่อเราเอาบ้านไปรีไฟแนนซ์หลายรอบ แล้วพอได้เงินส่วนต่างก็เอาไปทําอะไรก็ไม่รู้แล้วมันก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยก่อนหน้านี้พ่อเคยให้นะเราทําเรื่องซื้อบ้านไปทีนึงแล้วพ่อเราเนี่ยก็เอาเงินส่วนต่างเนี่ยไปทําทุนค้าขายพอปัจจุบันที่โดนยึดเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ได้ดอกเบี้ยช่วยเหลือคนที่ประสบภัยน้ําท่วมมาทําให้จ่ายต่อเดือนพอไหว แต่พอถึงตอนนี้ดอกเบีย้ยเดิมเนี่ยกลับมาแล้วแล้วพ่อแม่ของเราเนี่ยก็ไม่ยอมทำงานเขาก็ไม่จ่ายเงินแล้วก็ไม่ทำอะไรทั้งนั้นก็เลยออกไอเดียให้เรากับบ้านเนี่ยให้เรากับน้องเนี่ยกู้ซื้อบ้านตัวเองเราเนี่ยไม่อยากทำเลยพูดจากใจจริงเลยนะไม่อยากทำเพราะตอนนั้นเนี่ยเรามีแผนจะซื้อบ้านกับแฟนพูดง่ายๆก็คือเราไม่ไหวแล้วกับคนบ้านนี้เราต้องไปทำเรื่องกู้ซื้อบ้านของตัวเองตามคาสั่งพ่อสุดท้ายไม่ผ่านแหม ธนาคารก็น่าจะเห็นเครดิตบูโรเรานะเพราะประวัติดีมากประชดพอไม่ผ่านทำยังไงอ่ะเราก็ต้องจ่ายค่าบ้านแทนแกไงอีอก 15,000 บาทต่อเดือนถามว่าน้องชายไม่ช่วยเหรอตอนนั้นเนี่ยน้องเพิ่งเรียนจบก็ยังไม่มีงานทำไม่มีความสามารถที่จะทำอะไรได้มากมาย เราพยายามเหลือเกินที่จะปรับทัศนคติของพ่อเรื่องการบริหารจัดการเงินแต่ว่าพ่อเนี่ยไม่เคยฟังเลยเวลาเราแก้ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเรากลับบ้านไปร้องไห้ตลอดบอกว่าตังค์หมดแล้วแต่ไม่มีใครเข้าใจเราไม่มีใครปลอบใจเราไม่มีแม้แต่คําขอโทษปล่อยให้เรานั่งร้องไห้อยู่คนเดียวแบบนั้นก่อนหน้านี้เราเคยร้องไห้เพราะอยากจะเรียนต่อปริญญาโทจะส่งตัวเองเรียนแต่รู้ไหมทําไมถึงไม่ได้ส่งตัวเองเรียนให้เดาให้เดา อืง่ายมากครับอยากจะส่งตัวเองเรียนแต่ว่าไม่มีปัญญาส่งตัวเองเรียนเพราะว่าตังเนี่ยเอาไปใช้นี้ให้พ่อแม่หมดแล้วแล้วพอเราบอกว่าเราอยากจะเรียนต่อปริญญาโทพ่อแม่ก็หาว่าเราเห็นแก่ตัวเราไม่ไหวกับความคิดของคนในบ้านนี้แล้วก็เลยตัดสินใจออกมาอยู่บ้านใหม่แฟนกู้คนเดียวพ่อขูว่าจะฆ่าแฟนเราเพราะคิดเองเออเองว่าแฟนเราทําให้เราเปลี่ยนไปแต่ถึงออกมาเราก็ยังส่งเงินเดือนให้พ่อแม่ปกติในทุกๆเดือนพ่อเราก็ไม่ได้ทํางานแล้ว ปี2560ชีวิตการเงินของเราดีขึ้นแต่ว่าเราเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเราไม่มีความสุขเราร้องไห้บ่อยเพราะว่าเรารู้สึกไร้ค่าเราแก้ปัญหาทุกอย่างในเรื่องเงินแทนพ่อแม่ทุกเรื่องให้เงินเดือนใช้ทุกเดือนแต่เขาเนี่ยไม่เคยเห็นค่ามีแต่ดาเรากลับมาไม่มีขอบคุณไม่มีขอโทษไม่มีคําพูดใดๆปลอบใจที่เราหมดตังไปหลายแสนกับ6กถึงเปีที่ผ่านมานี้ แต่คนในครอบครัวเนี่ยไม่มีใครเห็นคุณค่าในตัวเราเลยเราเคยคิดฆ่าตัวตายแฟนเลยพาไปหาหมอบวกกินยาอาการก็ดีขึ้นแต่ว่าก็ยังเสียใจอยู่ที่มาเขียนกระทู้นี้ไม่ได้ต้องการอะไรหรอกคะ่ะแค่อยากจะมาเล่าประสบการณ์เรื่องการเงินเงินเราต้องดูแลเองนะคะอย่าเชื่อใครอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบเราช่วยเท่าที่ช่วยได้แล้วก็เอาความผิดพลาดของเขามาเป็นแรงผลักดัน อย่าว่าแบบนั้นเลยอย่าทําแบบนั้น 6-7 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจมอยู่กับเรื่องนี้ของครอบครัวมันนานมากโดยที่ทําอะไรไม่ได้เพื่อตัวเองเลยจากนี้เราดีใจที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่สักทีไม่ติดลบสักทีขอบคุณมากๆค่ะปอรเจ้าของกระทู้นะครับก็จบไปตรงนี้แล้วก็มีกลับมาอัปเดตสถานการณ์ให้คนที่ติดตามกระทู้เนี่ยได้อ่านกันด้วยนะฮะชีวิตเราของตอนนี้เนี่ยดีขึ้นมากพบคุณหมอทุกทุเดือนทานยาต่อเนื่องวางแผนการเงินวางแผนกเกษียณใช้ชีวิตแบบปกติอะค่ะ ก็มีบ้านที่ยังมีอากาศเศร้าอยู่ซึ่งก็พยายามหาทําทอย่างอื่นเช่นอ่านหนังสือของมันนี่โคสซึ่งชื่นชอบมากแน่นอนวิสตาเยอร์เบก็ชื่นชอบมันนี่โคสเช่นเดียวกันนับถือมันนี่โคสเป็นอาจารย์เลยครับดูซีรีส์ต่างๆไปรับคุณแม่แล้วก็น้องหมามาบ้านเราทุกๆวันศุกร์เพื่อใช้เวลาอยู่ด้วยกันช่วงวันหยุดส่วนพ่อเนี่ยมันเหมือนมีกําแพงบางๆที่เรารู้สึกว่าเราต้องทําหน้าที่ของเราแล้วกันเราให้เงินตัวเขาไปแล้วกันแล้วก็พ่อกับแม่เนี่ยจะไปใช้อะไรก็สุดแล้วแต่พ่อกับแม่แล้วกันเนาะ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ออกมาแล้วอัปเดตสถานการณ์ทางบ้านตอนนี้เนื่องจากว่าบ้านเดิมเนี่ยมีถนนเส้นใหม่ตัดผ่านหน้าบ้านทําให้บ้านเนี่ยมีราคาสูงขึ้นพ่อเลยตัดสินใจขายบ้านและให้น้องชายเนี่ยบวกแฟนเนี่ยกู้ซื้อบ้านใหม่แน่นอนว่าภาระบ้านใหม่ทั้งหมดตกไปอยู่กับ2คนนี้ส่วนบ้านที่ขายได้หลังจากหักยอดหนี้ไปก็ยังมีกําไรราวๆหนล้านบาทกําไร1ล้านเห็นว่าพ่อเนี่ยซื้อทองไปแล้วแล้วก็กําลังจะซื้อรถใหม่ให้ญาติยืมไปอีก รายละเอียดย่อยๆเราไม่ทราบนะทราบเท่านี้จริงๆแต่ก็ได้ฝากคุณอาไปบอกว่าให้เก็บๆไว้บ้างถ้าเราพูดไปเนี่ยพ่อไม่มีทางฟังก็เลยฝากคุณอาแล้วกันขอบคุณทุกๆกท่านอีกครั้งหนึ่งและขอให้กําลังใจอีกหลายๆคนที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกับเราท่องเอาไว้นะคะสู้ค่ะทําไปเรื่อยๆอย่างมีการวางแผนสักวันมันจะหมดมันจะมีวันที่เราหลุดออกมาจากวังวนนั้นได้นะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะปอลอ เจตนาของกระทูนี้แค่แชร์เรื่องราวของการเป็นหนี้ไม่ได้มีเจตนาจะประจานเรารักทั้งพ่อและแม่นะคะยังไงเนี่ยพ่อกับแม่ก็ช่วยเหลือเราก็ต้องดูแลกันต่อไปซึ่งเราก็ทํามาตลอดโดยกระทั่งปัจจุบันเพิ่มเติม<ๆ>นะคะอย่าเข้าใจผิดพ่อเราไม่ได้มีเรื่องการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะเป็นเรื่องของการหมุนเงินกู้หนี้ยืมสินนอกระบบลุ้นๆเลย เอาละฮะก็สามเรื่องราวนี้นะครับก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับเพื่อนๆชาว Starway t Your Way. อ่าก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมออกเสียงภาษาไทยไม่ชัดซึ่งเป็นปัญหาที่พยายามจะแก้ไขแต่ว่าก็คงจะแก้ไขอะไรมากไม่ได้ดันเป็นคนพูดไม่ชัดจริงๆนะครับอ่ะในวันนี้นะครับ Starway Podcast ก็ขอจบตอนที่3ไปก่อนแล้วก็อย่าลืมติดตามชมตอนที่4ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ